ถ้ยินเกาะสายเชื่อลากตัวขึ้นไปได้แล้วยืนโซเซหน้าเหลือสองนิว้วนั้นอินยืนเหมือนถูกสาบให้เป็นหินเชษฐาจ้องดวงตาเบิกโลงใช้ไฟฉายกราดหาไปยังปากทางนั้นเพื่อจะพบความหวังว่าน้องสาวน่าจะติดแตงแง่หินอยู่ในบริเวณ น, นั้นบ้างแต่ก็ไม่หินอะไรนอกจากม่น้ำและละอองขาวมัวแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังฉายไฟอยู่ยังทาอะไรไม่ถูกเช ย, ยันณชชอ ปากค้างพูดอะไรไม่ออกเราจะตายกันทั้งหมดถ้ายังยืนอยู่ตรงนี้ชะง่อนหิตกำลังจะพังแล้วผู้ประกาศก้องเตือนสติทุกคนคืออดีตนักผจญภัยสุดยอดอนุชาวราริตัตัตั ต, ต, ตน้อยน้อยหลุดลงไปแล้วอะชยันร้องแทบไม่เป็นภาษาคนถอยก่อนแล้วคอยตามทีหลังนั่นเป็นคำสั่งที่เฉียบขาดที่สุดของอนุช ม่อนขาเหนือศีสะที่น้ำกำลังพุ่งลงกระแทกในขณะ น, นี้ลันอีกครึ่หนึ่งร้อยปริกราวจะขยายกว้างยิ่งขึง้นทุกคนถอยเดี๋ยวนี้เชิดาผู้เป็นหัวหน้าคณะตะโกนพร้อมทั้งกระชากปืนพกออกจากซองแล้ยวยิงขึ้นเพดานถ้าเสียงเปรี้ยงสนัน่นแทะแก้วหูแตกกับสำเนียงเสียงน้ำอันอึ้งหมดชั่วขณะ ในภาวะเช่นนี้วินัยเป็นสิ่งสาคัญที่สุดโดยเฉพาะทุกคนในกลุ่มล้วนแต่เคยผ่านเหตุการณ์ลักษณะนี้มานับครั้งไม่ถ้วนแล้วการเงื้งงกรอช้าประการหนึ่งการตัดสินใจที่ไม่เด็ดขาดพออีกประการหนึ่งมันย่อมหมายถึงความหายนะของตอนเองและทุกคนดังนั้นคำสั่งต้องเป็นคำสั่งแม้ว่าแต่ละคนจะมีความภาวะพววังวิตกห่วงใ ย, ยต่ออะไรสักเพียงไหนก็ตาม นานอินกับขยินผู้อยู่ด้านนอกกว่าทุกคนโลดเล่นตามกันเข้ามาในทันทีโดยมีอนุชาคอยทำหน้าที่ผลักดันหลังต่อช้ยันถูกเชษฐถากระชากให้ปลุบเข้าไปในซอกลึกนั้นเป็นอันดับต่อไปขณะนี้จึงเหลือกันตามลำพังพี่น้องสองคนอันละลาละลังซึ่งรู้มือรู้ใจกันดีอยู่แล้วเชษฐถาเกาะแงหิงไว้อีกมือหนึ่งยืน่นทรงไปให้น้องชาย อดีตพรานชดรอบคอบและใจเย็นสมกับเคยเป็นนักผจญภัยชั้นยอดเสมอเขาก้มลงเอามือควานลงไปบนพื้นที่น้องจิงเป็นฟองอยู่ด้วยน้าคว้าไรเฟิลจุด3 0มแมกนัมของน้องสาวซึ่งบัดนี้ไม่ทราบ ว, ว่าเป็นตายร้ายดียังไงขึ้นมาจนได้แล้วก็ตะกายเข้ามาจับฝ่ามือของพี่ชายใหญ่ไวเพราะเชือดเาออกแรงดึงชุดอนุชาให้ขึ้นมายืนอยู่บนแง่หินปากช่องทางได้ บริเวณชะง่อนเนือสีสระที่กำลังปริราวอยู่เต็มที่แล้วนั้นก็ถึงการกิริยาถล่มคลื่นลงมาเหมือนหลังคาส่วนนอกถังมันหักหลุดลงมาทั้งกระบี่พร้อมๆกับน้ําอันกระแทกตามลงมาสนั่นหวั่นไหวกระทบลงบนชานที่เคยอาศัยพักนอนกันอยู่และน้ําจํานวนมาหืมมาที่พุ่งลงมาก็ล้นลงมากระทบบริเวณชานแห่งนั้นเหมือนคลื่นในมหาสมุทรกระแทกหินโขโครก ทั้งกระเซน็นน้ำและทั้งสะเก็ดหินหักกระจายออกไปทุกทิศศาสบัทะทั้งเชฐ่าและอนุชาเต็มตัวมันก็เพียงแค่หนึ่งในสิบของวินาทีเท่านั้นที่เชฐ่าช่วยดึงน้องชายให้พ้นอันตรายจากชะ ง, ง่อนหินถล่มและกระแสน้าได้แต่ถึงกระนั้นความสะเทือนของชะ ง, ง่อนหินที่พังลงมากระแทกโดยแรงก็แทบจะทาให้ทั้งสองเสียหลักลุดร่วงลงไปเป็นไรไหมกลาง ท่ามกลางมา่ น, าน้ำหนาถึกเชษฐาร้องถามทั้งสองขณะนี้เปียกโชกไปหมดไม่ไม่เป็นไรครับเรียบร้อยครับรีบเข้าไปเถอะอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วถ้ามันกระแทกหนักอีกครวมเดียนะเราหลุดลงไปแน่และสองพี่น้องโต้อตอบกันด้วยเสียงตะโกนแล้วทั้งคู่โดยการนำหน้าของเชษฐาก็ขูตัวหลบก้มลอดโพรงอันมีลักษณะเหมือนช่องถ้ำครับแค ซึ่งพวกลูกหาบล่วงหน้ากันเข้าไปก่อนแล้วนั้นอย่างไม่มีทางเลือกอย่างอื่นไมยว่ามันจะนำไปสู่นรกขุมใดก็ตามขอเพียงให้พ้นจากใครเฉพาะหน้าที่คุกคามอยู่ในขณะนี้ก่อนเท่านั้นพื้นล่างคุกระเต็มไปได้วยนอหินข้างบนเล่าก็ย้อยระเกระกะลงมาด้วยราขินย้อยกระทบร่างกายและศีรษะทะโลกบอกปอเปิกพกช้าดาเขียวแลวบางทีก็แตกเลือดซิบแต่ไม่มีใครคานึงถิน ในขณะนี้มีแสงลำไฟฉายศาสจากพวกที่ล่วงหน้าเข้าไปก่อนแล้วช่วยส่องทางให้พร้อมทั้งร้องบอกทิศทางให้บ่ายหน้าไปทางไหนระหว่างที่สองพี่น้องค่อยๆตามุดหลบแง่หินเข้าไปอย่างลำบากยากเย็นนั้นก็ได้ยินเสียงร้องบอกกันมาต่อๆว่าเข้ามาเร็วหน่ายเราพบโพรงกว้างพอจะอาศัยหลบอยู่ได้แล้วนั่นดูเหมือนจะเป็นเสียงของหนามอินอันฟังได้ใจความ เจนกว่าเสียงเออะโวยวายไม่ได้สับของพวกลูกหาบอื่นๆชั่วไม่มนานทั้งเชตดาและอนุชาก็พยุงตัวเกาะแกงแงหินอันคับแคบบางแห่งแทบจะลอดเข้าไปไม่ได้โดยคนร่างใหญ่อย่างเขาทั้งสองเข้าไปจนถึงบริเวณห้องถงเล็กๆขนาด20ตารางเมตรอันเป็นกระเป๋อยู่ในเส้นทางเดินที่ไต่ขึ้นมาตามปากทางแคบๆนะ บริเวณนี้ชอนสูงขึ้นมากกว่าระดับตำแหน่งชานหินเบื้องนอกมากน้ำที่กระโจนไหลผ่านอยู่เบื้องนอกกระเซน็นหรือไหลตามเข้ามาไม่ถึงคงได้ยินแต่เสียงอื้ออึงคลืน่นโครมอยู่เหนือสีรษะอันเป็นเวงเพดานหินสูงขึ้นไปประมาณสองสามเมตรตรงตำแหน่งอันสูงที่สุดเท่านั้นมันเป็นซอกถ้ำภายในอันคิดไม่ถึงมาก่อนว่าจะมีหนทางไต่เข้ามาได้ โดยทะลุจากลือผนังหินบริเวณอันภักอีตอนแรกเข้ามามีปากทางเข้าเป็นช่องรอยแตกของหินแคบเล็กนิดเดียวและทุกคนก็ค้นพบปากทางเข้านั้นโดยบังเอิญเมื่อตะกายหนีอุทกภัยจากน้ำตกที่พุ่งเทลงมาอย่างผิดเส้นทางไฟฉายหลายดวงกราบวูบว่าส่องลุพักพวกกันเองที่พากันตะเกียก ต, ตะกายเข้ามาถึงดูอิน นับจำนวนพวกเราทุกคนดูสิเขีะถากเกาะผนังหินไวร้องขึ้นเสียงหอบๆเมื่อมุดเข้ามาถึงเสียงครูพานโบวกเวกพูดอะไรกับหัวหน้าลูกหาดกล้องไปทั้งโพรงท่านนั้นมีการตรวจตราสำรวจและฐานชื่อเป็นรายตัวกันอย่างรวดเร็วอือใจต่อมาแกก็ร้องบอกมาว่าน่าย ah, พวกลูกหาบอยู่ครบกันทุกคนไม่มีใครเป็นไรนอกจากหัวร่างข่าแตกไปบ้าง แล้วพวกเจ้านายล่ะนายฐานชัยยันน่ะอยู่ไหนฉันอยู่นี่เสียงชัยยันร้องบอกมาจากแง่หินในเงอมืดฉันกับพรานชดก็เข้ามาแล้วเป็นนั้นว่าพวกเรารอดเข้ามาในนี้ได้เกือบครบที่ฐานน้ำเสียงแหบแห้งขาดหายไปเพียงแค่นั้นเขาไม่อาจจะเอ่ยข้อความใดได้มากไปกว่านี้ได้เพราะทุกคนก็รู้เห็นอยู่กับตาแล้ว และภายในคูหาโพรงลึกนี้เหมือนทุกคนจะตะลึงงานทำอะไรกันไม่ถูกไปชั่วขณะอีกครั้งต่างเงียบกริบกันไปหมดคงได้ยินแต่เสียงน้ำเชี่ยวกรากกำลังแรงสูงพุ่งโกรกผ่านอยู่เหนือสีสษะและเสียงไม้ไล่ในป่าเบื้องล่างถูกหักโค่นคลื้นคลันเป็นระยะตามทิศทางที่น้ำพุ่งบ่าลงไป อดีตท่านทูตทหารบกหัวหน้าคณะรูดกายลงไปนั่งกอดเข่ากัะพื้นยกมือขึ้นเสยเส้นผมแล้วสลัดน้ำที่เปียกโชกศีรษะออกไปจากนั้นก็กลุมศีรษะเงียพยายามที่จะใช้อำนาจพลังจิตข่คมความรู้สึกทั้งมวลและรวบรวมสติสัมปชัญญะอนุชาและชยันคานเข้ามานั่งรวมกลุ่มขนาดอยู่ใกล้ๆต่างเอื้อมมือไปแตะแขนพี่ชายใหญ่ของคณะคนละด้าน และเอ่ยเรียกชื่อเหมือนจะปลุกปลอบความรู้สึกเบาๆฉันฉันไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงกลางเราจะเอาอยัางไงกันต่อไปแล้วเนี่ยประโยคหลังเป็นคำถามพี่ใหญ่ครับเราไม่มีทางจะทำอะไรในขนาดนี้ได้เลยครับจนกว่าทะเลที่มันไหลผ่านบนหัวเราขนาดนี้จะซาลงไปซะก่อนหรือไม่งั้นก็ ก็จนกว่าจะเช้าแลละครับเช่ถาเงียบงันไปอีกขนัดนั้นนานอินและขยินก็ค่อยๆเข้ามานั่งจองด้วยอีกสองคน <c oughs> มันเป็นความผิดของขยินเองที่มัวแต่เอาตัวรอดโดยลืมคิดถึงนายหญิงตอนนั้นน่ะน้ำเสียงแหบห้าของขยินดังขึ้นบ่งความรู้สึกออกมาจากส่วนลึกใจจริงขยิน เจ้าน่ะไม่ผิดหรอกถ้าเจ้าไม่ช่วยตัวเองก่อนเจ้าก็ต้องร่วงลงไปพร้อมกันนายหญิงด้วยเราทุกคนเห็นเหตุหการณ์ตอนนั้นโดยตลอดไม่มีใครตำหนิเจ้าหรอกขยินท่านหัวหน้าคณะเอ่ยเสียงแตกพร่าให้ขยินร่วงลงไปแทนนายหญิงจะยังจะดีกว่านะนายในบ้านหลงช้างพูดสั้นๆเหมือนจะกล่าวกับตนเอง ความจริงนายหญิงก็ปลอดภัยกว่าทุกคนอยู่แล้วตอนที่น้ำมันเริ่มพุ่งลงมาแต่แกก็มัวแต่ห่วงหีบยาของแกไม่ยอมคว้าเชือบที่นันอินโยนไปให้เอาแต่กอดหีบยาเอาไว้พอน้ำมันม้วนตัวเข้ามาอีกครมึมก็เลยถูกกระชากลงไปครูพรานผู้เฒ่าเอ่ยเสียงเครือไม่มีใครกล้าพูดหรือเอ่ยถึงอนาคตหม่อมราชวงศ์หญิงดารินวราริบขึ้นในขณะนี้ ภาพที่ต่างเห็นหลอนพลัดร่วงจากชานหินอันเป็นที่พักพร้อมกับกระแสน้ำอันแลบตวัดเข้ามาราวกับลินมังกรมันเป็นภาพที่วาเสียวเกินกว่าที่ทุกคนจะกล้านึกย้อนไปเห็นภาพนั้นได้จะมีอะไรเหลืออยู่อีกสำหรับร่างกายอันประกอบด้วยเลือดเนื้อของผู้หญิงเล็กๆคนหนึ่งสายน้นจะพัดพาหลอนในลักษณะชุดกระชากลงไปตามแนวทางอันล่าต่าลงไปตามลาดับ ซึ่งเต็มไปด้วยแง่โคถินและต้นไม้กระแทกปะทะบดขยี้ถ้าไม่แหลกเหลีวติดคาอยู่กรับรากไม้หรือซอกหินตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดโดยมีน้ำไหลผ่านอยู่เหนือร่างก็คงจะล่องลอยไปปากไปตามแรงน้ำเชี่ยวกรากนะอย่าว่าแต่คนเนยต่อให้ช้างก็ทนอยู่ต่อไปไม่ไหวแน่เหตุการณ์ครั้งนี้มันเกิดขึ้นรวดเร็วเหลือเกิน เร็วจนตั้งตัวไม่ทันแล้วทุกคนก็ยังต่างตกอยู่ในภาวะมึนงงเชื่อครึง่งไม่เชื่อครึง่งต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนฝันรางถ้าจะพิจารณาถึงตำแหน่งวางที่พักของหนานอิ่งก็จักว่าครูพรานผู้เฒ่าดำเนินการได้ถูกต้องที่สุดแล้วคือพยายามวางที่พักให้ห่างทางน้ําตกตามปกติออกมาในระยะที่เรียกได้ว่าปลอดภัยมากทีเดียว หากเกิดอุท ก, กภัยน้ำไหลตกลงมามากมายกว่าปะกะติสภาพของมันซ้ำยังมีชะ ง, งอนหินใหญ่โผล่ยื่นออกไปเป็นเพิงบังไว้อีกด้วยแต่ทว่าน้ำที่พุ่งกระกเทลงมาทางด้านนี้นั้นมันแบ่งแยกเส้นทางอันเคยไหลในสภาพเดิมของมันได้ยังไงเป็นน้ำที่กระโจนแหกแนวทางเดิมลงมาทางตำแหน่งที่พักโดยเฉพาะและปริมาณมหาศาลเหลือเกิน แม้จะมีเพิงบังเป็นชายขาดกั้นไว้ความแรงของน้าที่โถงกระแทกลงมาอย่างดูเดือดรุนแรงก็ยังทำให้ช่า ง, ง้่อนชายคายหินทั้งก้อนบิถลม่มขาดหายตามแรงกระแทกเสาะนั้นลงไปจนได้แทนที่มันจะไหลลงมาปะทะแล้วกระโจนข้ามไปปกติธรรมดาอย่างที่นานอินคาดคเนคิดป้องกันไว้ล่วงหน้าก่อนก่อนเกิดเหตุก็ไม่มีวิแววหรือลางบอกล่วงหน้า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 ทุกคนอาจแววเสียงที่มันกระโจนและแกงแงโคถินด้านบนอันอื้อเองเหมือนเสียงฟารองล่วงหน้าเพียงแค่ไม่กี่อึดใจเท่านั้นแล้วมันก็พุ่งลงมาถึงตัวทันทีถ้าไม่มีเพิงหินบังไว้ก่อนก็ไม่มีปัญหาทั้งคณะสิบหกคนรวมทั้งสัมภาระเข้าของจะต้องถูกน้ำแทงกระจัดกระจายหายไปในพริบตาเหมือนท่อดักเพลิงที่ฉีดใส่ฝูงมดช่นนั้นพวกลูกหาทั้งสิบคน ที่ยังมีชีวิตรอดอยู่บัดนี้ก็เข้ามานั่งจับเจ้าชุมนุ่มเบียดอยู่กับฝ่ายเจ้านายทั้งหมดขางสันกระทบกันกึกๆึกกึทุกคนทราบเหตุการณ์ดีแล้วว่าแต่ละคนรอดปลอดภัยก็มาหลบกันอยู่ได้อย่างบุบบิดมีนายหญิงของคณะคนเดียวเท่านั้นที่เคราะห์ร้ายที่สุดผมอยากจะเชื่อเอาว่าผมเชื่อมั่นก็แล้วกัน ว่าน้อยจะไม่เป็นอะไรมากในที่สุดอนุชาวราริศก็กล่าวขึ้นด้วยเสียงที่พยายามให้ราบเรียบมั่นคงที่สุดเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยเพราะความจริงเขาเองก็ไม่รู้จะพูดอะไรให้ดีไปกว่า น, นี้ได้เชี่ยฐากับช ย, ยันไม่ตอบหรือมิฉะนั้นก็ไม่มีความรู้สึกที่จะแสดงความหินเช่นไรได้อย่างเดียวทาไมทั้งสองจึงจะไม่ทราบ ว่า น, นั่นเป็นแค่คำพูดที่ปลอบใจเสมากกว่าอย่างอื่นนานอินขยับเข้ามาจับเขา่านายใหญ่วัดนันอินอีกคนหนึ่งที่เชื่ออย่างพรานชดนายใหญ่กับนายทหารน่ า, านะทำใจดีๆไว้เถอะเอาไว้น้ำสากว่านี้หรือตะวันขึ้นนานอินจะออกตามหานายหญิงอีกเชิดถาฝืนยิ้มกล้านในเงามือ เสียงพูดของเขาช้าๆแต่แห้งผักฉันกับนายทหารชายันมีกําลังใจที่ดีเสมอแล้วและจะไม่คิดวันไหวหวาดระแวงไปในทางที่ไม่เป็นมงคลต่อนายหญิงหรอกทั้งๆที่มองเห็นกระตาว่ามันเกิดอะไรขึ้นเอาละ่ะฉันก็เชื่อเหมือนกันว่านายหญิงต้องไม่เป็นไรเพราะถ้าไม่คิดเชื่อเช่นนั้นไว้ก่อนมันก็ไม่ช่วยอะไรขึ้นมาได้ ไม่ใช่ละนานอินไม่ได้พูดแค่ปลอบใจหรอกนายใหญ่พระครูพูดท่าพูดยังรู้ใจและทันในความรู้สึกของเชิดากับทุกคนในยามนี้ทุกคนอาจไม่รู้แต่นานอินรู้มานานแล้วตั้งแต่พบเห็นนายหญิงเป็นครั้งแรกนายหญิงน่ะแกมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และอรหันต์เจ้าหลายองค์ คอยคุ้มครองปกป้องไว้เสมอแล้วก็ยังมีเทพประจาตัวดวงชตาราศีแข็งมากยากที่อะไรจะทำอันตรายได้และถ้าจะพูดถึงดวงแล้วในบรรดาพวกเราที่มาด้วยกันนี่นายหญิงน่ะดวงแข็งที่สุดแข็งยิ่งกว่านายรับพินเองซะอีกน้านอินไม่เคยรู้เห็นในการเดินทางครั้งก่อนสำหรับเที่ยวขาไป แต่นายใหญ่และนายทหารชายยั น, นรู้ดีก็ลองนึกย้อนแ ล, ล้วคิดเอาเองทุกครั้งที่เกิดเหตุอันตรายคับขันขึ้นคนอื่นบาดเจ็บหรือล้มตายแล้วนายหญิงเคยได้รับเคราะห์อย่างนั้นบ้างไหม <c oughs> คนดวงแข็งอย่างนายหญิงอย่าว่าแต่จะถูกน้ำพัดลงไปอย่างที่เราเห็นกันน่ะเลย ตอให้แกตั้งใจกระโดดลงเหวหรือโดดลงไปจากหน้าผาสูงก็จะไม่เป็นไรจะต้องมีอะไรมาปะทะปะทางผ่อนักเป็นเบาได้เสมอคนที่มีเกณฑ์ชะตาอย่างนายหญิงเป็นคนที่ไม่มีอะไรมาทําอันตารายได้เว้นแต่จะถึงอายุไขของตัวเองเท่านั้นแต่มันต้องไม่ใช่เดี๋ยวนี้ คำพูดของครูพรานในครั้งนี้ฟังดูไม่ไร้สาระเกินไปนะักมันวางอยู่บนรากฐานมาจากความเชื่อมั่นในศาสตร์อันลี้ลับที่มีอยู่ประจำตัวของแกน้ำเสียงที่พูดก็ออกมาจากความรู้สึกแท้จริงปราศจากการเสียแซงเพื่อหวังเฉพาะในด้านการปลุกปลอบใจประการเดียวเชฐาและชยันสดับอย่างตายตรองแล้วก็เริ่มใจชืนขึ้น จากเหตุการณ์ร่วมเผชิญที่ผ่านมาแล้วมันเป็นจริงตามที่นานอินว่าทุกประการต่อให้ตกอยู่ในสถานการณ์รุนแรงคับขันอับจนถึงเพียงไหนคนอื่นจะบาดเจ็บล้มตายยังไงน้องสาวคนเล็กของคณะมักจะมีเหตุเป็นไปที่คาดคิดไม่ถึงเข้ามาพ่นปลนแก้ไขให้รอดปลอดภัยได้ทุกครั้ง่อนไม่เคยคราลายถึงกับบาดเจ็บหนักเลยสักครั้งทั้งๆ ท, ที่ทุกคนน่ะโดนกันหมด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 หรือจนกว่าจะรุ่งเช้ายัางไงก็ก็ว่าแต่ว่าหลวงพ่อจะบอกได้ไหมว่านี้มันเกิดได้ยังไงเนี่ยเชิดาว่าแล้วก็พยักหน้าขึ้นไปด้านบนที่กระหึ่มอยู่ด้วยเสียงน้ําจํานวนมากเทลงมาอย่างดูเหมือนจะไม่มีการจบสิ้นรู้สึกว่าก้อนหินเหนือสีสากขึ้นไปลั่นและเคลื่อนกลิ้งไปตามสายน้ําอยู่เป็นระยะระยะทุกคนเข้ามาหลบซ่อนอยู่ในส่วนลึกของโพรงถ้ำ เหมือนตกอยู่ใต้บาดาลที่มีท้องทะเลคลั่งปันป่วนอยู่เบื้องบนน้ำอินชรชักไปชั่วขณะเอามือทั้งสองที่ถูกันไปมาแล้วเป่าลงไปด้วยความหนาวเย็นมันก็ดาวยากนะนายจะเป็นด้วยการอเผอิญของธรรมชาติดินฟ้าอากาศมันก็ไม่สอเข้าเงื่อนให้เรารู้ล่วงหน้ามา ก, ก่อนไอ้จ้ว่ามันเกิดด้วยเล่กลมายาเหตุ อาถันที่จ้องฉวยโอกาสจะเล่นงานเรานั้นอินก็ยังนึกไม่ออกว่ามันทำได้ยังไงคุ้นเขาทิวีหนือมันสูงใหญ่มากสลับซับซ้อนขึ้นไปเป็นชั้นๆั้นแทบจะนับไม่ท่วนกว่าจะถึงยอดบนและบนยอดนั่นก็มีทะเลสาบกว้างใหญ่เส้นทางน้ำตกจะไหลลงมาตามช่องรอยที่ตำ่ำเป็นทางระบายออก ของน้ำตามธรรมดาเส้นทางน้ำตกทั่วไปแต่นี่มันกลับแฮกทางเดิมที่เคยไหลกระโจนพรวดลงมาอีกด้านหนึ่งเหมือนมีใครไปขุดเบิกทางใหม่ขึ้นให้น้ำทะลักลงมาทางด้านนี้อย่างนั้นเลยนั้นยิงคิดไม่ออกจริงๆเพราะถ้าใครทำได้อย่างนั้นก็จะต้องใช้แรงงานไม่ใช่น้อยทีเดียว แกพูดช้าช้าเนิกเนิอยังไม่แน่ใจเออลุงนี่จะเป็นอย่างนี้ได้ไหมล่ะลุงอินอนุชาเอ่ยขึ้นอย่างใคร่ครวรลึกต้นทางน้ำตกนั่นมาจากแหล่งทะเลสาบข้างบนแน่นอนแล้วก็อาจจะเป็นยอดสูงสุดของเทือกนี้อย่างที่ลุงว่าแต่ลุงคิดบ้างไหม ว่าแต่ละช่อชั้นของยอดเขาที่ต่ําลดหลั่นกันลงมามันก็น่าจะมีวางน้ําที่ขังน้ำไว้จํานวนมากรองรับกันอยู่เป็นชั้นๆเป็นแหล่งขังน้ําที่ย่อยลงมามากกว่าแหล่งน้ําแม่น้ําใหญ่ด้านบนเหนือสุดอี ท, ทีนี้บนแหล่งแอ่งหรือวางน้ําย่อยที่ว่านี้อาจจะเหนือจากระดับที่เราพักขึ้นไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้น มีก้อนหินกั้นเป็นทำนกไว้บางส่วนที่ไม่แน่นหนาแข็งแรงอะไรนักในเวลาปกติน้ําจะไหลามาสมทกกันแนวทางเดิ่มไหลเดิมตามปกติของมันแต่ถ้ามีอะไรไปรื้อเขื่อนหรือทำนกที่มันเบาบางอันเป็นจุดสําคัญน่นเปิดทางน้ําให้ไหลลงอีกทางมันก็ย่อมจะเป็นทางทะลักออกอย่างกระทันหันของกระแสน้ําที่ถูกกักขังไว้แล้วลงมันได้ไหลพรวดลงมาตามทางที่เปิดใหม่นั่นแค่นิดเดียว พลังน้ำมากมายที่มีแรงดันอยู่ก่อนแล้วก็จะแหาเป็นทางกว้างออกทำลายแนวทำนกใกล้เคียงให้พลอยทลายลงมาอย่างกระทันหันทั้งแถบ ก, กลายเป็นสภาพเหมือนเขื่อนแตกเทน้ำจากแหล่งตักย่อยๆนั้นพุ่งลงมาใส่ทางด้านพักของเราอยู่ในขณะ น, นี้ไม่ใช่มันแตกลงมาจากข้างบนยอดแห่นอนเชิฐาและชยันสะดุดเข้ากับ ข, ข้อคิดเช่นนั้นของอนุชาเช่นกัน ม, มันก็น่าจะเป็นอย่างที่กลางสันนิฐานนี่ใชมากกว่านะคงจะมีการทำลายเขื่อนกั้นน้ำธรรมชาติจากแอ่งน้ำย่อยในชั้นที่ไม่สูงขึ้นไปจากเราเท่าไหร่นักแน่นอนมันคงไม่ได้มาจากด้านบนสุดหรอกใช้กำลังช้างสักสามสี่ตัวช่วยกันงัดหินอันเป็นจุด ก, กั้นน้ำที่บอบบางออกเพียงไม่กี่ก้อนก็แค่นั้นเองน้าจะทาหน้าที่ทาลายทานบธรรมชาติ ข้างเคียงทั้งแถบลงเองด้วยพลังผลักดันตามธรรมชาติคราวนี้มันก็จะเหมือนเทน้นจากกระบอกลงกระบานพวกเราชา ย, ยันร้องออกมาโดยเร็วใช้ช้างหรอชา ย, ยันอุทานเสียงสูงจะมีอะไรดีไปกว่าสัตว์ใหญ่กำลังมากที่มันใช้เป็นบริวารเหล่านั้นได้เล่าถ้านั้นชัดชๆชไม่มีอะไรหรอกนอกจากไอ้มันไตร นุชาและชัยยันโผล่ออกมาพร้อมกันราวกับนัดกันไว้ท่านหัวหน้าคณะเม้มริมฝีปากแน่นบรรยากาศภายในโพรงท่าที่มนุษย์ทั้ง15ชีวิตเข้ามาหลบภัยอยู่เงียบกริบมีก็แต่เสียงตูมตามโครมครืนของสายน้ำผสมก้อนหินไหลคละกันลงมาจนถ้ำสะเทือนอยู่เช่นนั้นเชิถาปาดแขนเสื้ อ, อเปียกชุ่มน้าดูเวลาขณะนั้น มันเป็นเวลาสองนาฬิกากับสิบห้านาทีกำลังดึกสงัดคำนวณเวลาจากเวลาแรกที่ทุกคนได้ยินเสียงน้ำลั่นลั่นอู้ลงมาและปะทะระลอกแรกลงกับชะงอนที่พักจนดารินหลุดหายไปมันกินเวลาประมาณยี่สิบกว่านาทีเข้ามาแล้วเสียงกระนำเทลงมาของกระแสรุนแรงเชี่ยวกรากยังไม่มีท่าทีว่าจะหยุดหรือหมดสิ้นลง ถ้าเป็นอย่างที่กลางตั้งข้อสงสัยสมมุติฐานขึ้นมันก็ควรจะใช้เวลาอีกนานสักเท่าไหร่ล่ะปริมาณน้ำที่ไหลพุ่งลงมาทางด้านนี้มันถึงจะหมดสิ้นไปในที่สุดเขาก็กล่าวขึ้นไม่อาจซ่อนหางเสียงกระวนกระวายใจไว้ได้มันก็ต้องรอดูต่อไปแล้วครับพี่ใหญ่มันอาจจะสู้ซาลงมาเพียงแค่หนึ่งหรือสองชั่วโมงหรืออาจจะติดต่อกันไปตลอดทั้งคืนก็ได้ มันก็สุดแล้วแต่ว่าแอ่งน้ำนั่นจ ะ, ระบรรจุปริมาณน้ำไว้มากแค่ไหนจะสังเกตดูจากความแรงเชี่ยวของมันที่กระโจนลงมาโดยพลังผลักดันผมว่าก็ไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านลูกบาทเม็ดไม่งั้นมันจะไม่แทงแรงลงมาถึงแบบนี้ไม้ลผ่ ก, ก้อนหินเล็กๆที่ขวางทางมันพลอยโค่นหลุดตามกระแสะน้ำลงไปเป็นแถบๆ แ, แม้กระทั่งชะงอนเว้งเขาที่เราพักกันอยู่นี่ยังทานแรงกระแทกไม่ไหวเลย เอาละตอนนี้เรายังทำอะไรกันไม่ได้นอกจากคุดตัวเป็นตุนอาศัยรูท่าอยู่ก่อนแบบนี้เอาเป็นว่าทุกคนสำรวจสัมภาระเข้าของที่หิ้งหนีน้ากันเข้ามาแล้วกันมีไรขาดหายไปบ้างค่ให้รายงานปืนประจำตัวทุกกระบอกของทุกคนทิ่มปลายปากกระบอกลงกัะพื้นนะตั้งไว้ให้เสด็จน้าไปพลางแล้วค่อยเปลี่ยนกระสุนชุดใหม่โดยเฉพาะพวกลูกซองตอนนี้เป็นทีของมัน่อให้มันเล่นเราให้เต็มที่ไปก่อน เทพาประกาศขึ้นดังๆแก่ทุกคนแล้วถอนใจเฮือเหยียดเท้าทั้งสองราบไปกับพื้นอันขรุขระตะปุ่มตะป๋ำนั้นหลังเอ็นพิงพนักหินนิ่งพักหลับตาไปชั่วขณะในระหว่างที่ทุกคนเคลื่อนไหวปฏิบัติตามคำสั่งเขาภายในพโพรงถ้ำที่เข้ามารวมกลุ่มอาศัยกันอยู่นั้น เวลาจะล่วงผ่านไปเท่าใดไม่ทราบได้ในซอก่้ำของสิบห้าชีวิตที่เข้ามาหลบกันอยู่อย่างเงียบกริบเหมือนจะเป็นบายเบื่อกันไปหมดต่อเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นครั้นแล้วเสียงน้ำที่ไหลแรงผ่านอยู่เบื้องบนก็ค่อยๆซาอ่อนลงเป็นลำดับพลังแรงของมันสดับจากเสียงซึ่งเคยฟังเหมือนพายุบัดนี้ กลายเป็นเสียงไหลแผ่วเบาดังริกๆเท่านั้นเทถาผู้นั่งเข้าพวังครึ่งหลับครึ่งตื่นอยู่ในฝันรายสัมผัสได้กับการถูกใครเขย่าที่ขาแรงๆเมื่อเขาประงกศีรษะลืมตาขึ้นก็มองเห็นเงาของอนุชาและชยันเข้ามาขนาดอยู่ข้างๆท่ามกลางดวงไฟฉายที่ส่องสว่างพอประมาณเพราะใช้อยู่เพียงดวงเดียวมันไหลผ่านไปหมดแล้ว มันหยุดลงจริงๆเป็นเสียงเรียงร้องบอกอย่างตื่นเต้นของน้องชายกลางพี่ใหญ่ของคณะเรียกความรู้สึกให้กลับคืนมาพร้อมพยายามเงี่ยหูแล้วก็รู้สึกได้ว่ามันเป็นจริงตามที่อนุชาบอกมันแสดงว่าเขาพลอยหลับไปด้วยความอ่อนเปรียไปชั่วขณะราชสกุลใหญ่ขยับตัวทันทีทันทีพี่ผึง้งหนีไปเขาสารภาพตามตรง สะบัดหน้าไล่ความมึนงงนี่มันเริ่มซาตั้งแต่เมื่อไรเนี่ยนานแล้วยังก็ประมาณสักสิบนาทีที่ผ่านมานี่แหละชั ย, ยันเป็นคนตอบอย่างเร่งด่วนทุกคนในคณะที่เข้ามาหลบซ่อนกันอยู่ไหวตัวกันพืบพับพืบพับกันหมดเราจับฟังกันอยู่ตลอดเวลานะเสียงมันค่อยๆ อ, อ่อนลงไปเรื่อยๆก็นึกอยู่เหมือนกันว่ากกคุงจะหลับไปพอเห็นเยียบเฉยมาตลอด พอรู้สึกว่ามันผ่านไปหมดแล้วก็เลยช่วยกันปลูกแก่ขึ้นเนี่ยนี่เราเข้ามาอยู่ในนี่นานสักเท่าไหร่แล้วเนี่ยกอประมาณชั่วโมงเศษเท่านั้นแหละที่น้ำมันพัดหนักอยู่ข้างบนอย่างที่มันเล่นงานเราในตอนแรกตอนนี้ก็ปีสามกว่านิดหน่อยอะ่ะสำรวจสัมภาระเข้าของแล้วยังมีอะไรอยู่อะไรขาดมั่งแล้วเนี่ยเราช่วยกันหอบเข้ามาได้เกิดทุกชิ้นละคร นอกจากผ้าพลาสติกบางผืนเท่านั้นะครับที่หายไปกาไม้คานหาหามบางอันครับน้องชายกลางตอบเสียงแห้งๆทุกคนรอบด้านของเขายามนี้ล้วนตกอยู่ในภาวะทุกข์กังวลทั้งสิ้นแม้จะมองไม่เห็นถนัด ก, ก็รู้ได้จากอากัศกิริยาและทั้งหมดก็ดูเหมือนจะกำลังรอคำสั่งความเห็นชี้ขาดจากเขาอยู่ถ้างั้นสิ่งที่กลางทายไว้ก็ไม่ผิดละ แอ่งน้านบางส่วนเท่านั้นที่มันเขื่อนแตกไหลเทลงมาทางที่พักของเราและปริมาณน้ําในส่วนนั้นก็คงจะไหลลงมาหมดแล้วถึงได้หยุดไปอย่างนั้นเส้นทางน้ําตกเดิมยังคงไหลยอยู่ตามปกติของมันใช่ไหมครับครับเส้นทางปกติมันก็ยังไหลยอยู่ตามธรรมดานั่นแหละครับเอาละตอนนี้เราควรจะทําอะไรขึ้นได้บ้างแล้วไม่มากก็น้อยก่อนหนึ่งก็ตรวจเข้าของประจําตัวของน้อยสิ ตวกันได้ยังเป้หลังส่วนตัวของเขาไฟฉายวิทยุไรเฟิลประจำมือแล้วก็อื่นๆเราต้องรู้ซะ ก, ก่อนว่าขนาดที่น้อยถูกน้ำพัดหายลงไปเขามีอะไรติดตัวอยู่บ้างเชื่อถาสั่งใน ท, ทันทีประสาทเริ่มตื่นพร้อมอีกครั้งพยายามขับไล่ความอ่อนเพลียกระปลกกระเปรี้ยวไป <c oughs> ขณะเกิดเหตุมันเป็นเวลาที่พวกเราทั้งหมดพักนอนกันนะครับ ผู้พูดยังเร็วปรีอยู่ตามเดิมก็คืออนุชาเพราะฉะนั้นน้อยก็ไม่น่าจะมีอะไรติดตัวเลยเพราะเป้หลังไรเฟิลวิทยุประจำตัวก็ถอดออกหมดถ้าจะมีก็เสื้อผ้าชุดที่เขาใส่อยู่เถ็มขัดปืนสั้นหนึ่งกระบอกมีดโบวีหนึ่งเล่มนอกนั้นก็อาจจะมีแค่ของกระจุกกระจิกเท่านั้นที่ใส่อยู่ในกระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋ากางเกงเท่านั้นแม้แต่ไรเฟิลที่ส่วนมากไม่เคยห่างมือ ก็ตกอยู่ตรงที่เกิดเหตุผมเป็นคนงมขึ้นมาเองอะ่ะก่อนที่พี่ใหญ่จะฉุดเข้ามาในซอกโพรงนี่อืมก็สรุปว่าหลุดหายไปกันน้ํำตัวปเปล่าๆมีก็แค่ปืนสั้นกับมีดติดเอวไปอย่างละชนิดเท่านั้นเอาแล้วละงั้นเราก็ออกไปดูกันตรงปากโพรงหน่อยสิข่าของทั้งหมดทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันกล่าวพลางท่านหัวหน้าคณะก็พยุงกายขึ้นยืนอย่างรวดเร็วฟ้าไรเฟิรนประจํามือ ที่ตั้งพิงผนังโดยเอาทางตายปากกระบอกปากลงเพื่อให้น้ําที่เข้าไปเปียกขังอยู่ไหลไถเทออกนั้นอินกับขยินไตนําหน้าออกไปก่อนในทันทีแล้วทางคณนะที่เผชิญกระายน้ําทํานบแตกไหลพรวดพลาดจู่โจมลงมาเล่นงานจนแทบจะกระจัด ก, กระจายกันออกไปหมดก็พากันไต่จากโครงถ้ำส่วนลึกอันเข้ามาหลบซ่อนอยู่ ย้อนกลับออกมาทางเดิมกันหมดทั้งขบวนอีกครั้งตำแหน่งอันเคยเป็นชานพักพรก่อนเกิดเหตุบัดนี้กองพันเนินด้วยเพิงรืชะ ง, ง่อนหินอันเคยเป็นชายคาบังมันขาดรงมาเกือบครึ่งค้อกองอยู่แทนที่มีรอยน้ำเซาะพัดเอาเศษเล็กๆให้ไหลกลิ้งตามน้ำลงไปด้วยคงเหลือแต่หินหักพังก้อนใหญ่ๆเท่านั้นที่วางระเกะ ร, ระกะเกลื่นไปหมด เหนือสีสะขึ้นไปอันเป็นส่วนที่ติดแน่นกับภูเขามีสายน้ำไหลรินเป็นทางเล็กๆเกอื่อยอ่อยถ่ามกลางบรรยากาศอันเป็นเวลาดึกสงัดมืดสนิทหน้าวันระแวงสองสามคนในคณะใช้ไฟฉายเดินทางส่องตรวจ ด, ดูแล้วฉายไล่ระลงไปยังทิศทางต่ำลงไปเท่าที่กำลังไฟฉายจะส่องลงไปได้ มองเห็นในเงาสลัวอย่างเต็มไปด้วยปริศนาถึงร่องรอยที่มาหาอุทกภัยจู่โจมศาสตร์กระหน่ำลงมาอย่างรุนแรงไม้ไลพ่พุ่มโพงที่อยู่ในทิศทางโค่นลมยับเยินพินาศลู่เป็นทางไปทีเดียวด้วยอำนาจของพลังน้ำการไหลอู้ลงมาเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งกินเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ยุดติหมดสิ้นสางซาลงเช่นนี้พิสูจน์ได้ชัด ตามความคาดคะเนของอดีตพรานชดในข้อที่ว่าคงจะมาจากแอ่งน้ำแหล่งย่อยๆเหนือสีสักขึ้นไปถูกทาลายทำนบกันตามธรรมชาติจึงเมื่อมันหมดสิ้นปริมาณน้ำที่ขังอยู่ยังแหล่งนั้นการไหลดุดเทลงมาจากระบอกจึงสิ้นสุดสงบลงได้ถ้าเป็นการไหลเชี่ยวกรากลงมาจากยอดสูงสุดอันเป็นทะเลสาบใหญ่เบื้องบนมันคงจะรุนแรงกว่านี้นับร้อยเท่า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 แรงขนาดทำให้หินน้ำหนักหลายหลายตันพังลงได้ร่างกายของมนุษย์ผู้หญิงกระจ้อยร่อยเพียงนิดเดียวจะถูกมันฉุดกระชากปลิวไปถึงไหนและจะคงชีพชนอยู่ได้หรือทุกคนคิดแต่ไม่กล้าพูดจะมีก็แต่ใบหน้าและแววตาเท่านั้นที่บอกความรู้สึกภายในของแต่ละคนน้อง no! ชัยันตะโกนก้องขึ้นสุดเสียงทั้ง ท, งทังที่ปราศจากความหวังใดๆว่าจะได้ยินเสียงตอบแล้วก็จริงดังว่าจะมีก็แต่เสียงของเขาเท่านั้นที่กังวันสะท้อนก้องไปไกลไม่มีคําตอบใดๆกลับมานอกจากสายน้ําที่ยังหลงเหลือเล็กน้อยไหลอยู่ริกริกระเนือศีรษะและหยุดลงมาตรงหน้าของทุกคนอันยืนกายสั่นอยู่ ภายหลังจากตะโกนเรียกออกไปคําเดียวแล้วยันก็นิ่งงันไปตามเดิมคนนึกไม่ออกเหมือนกันว่าทำไมจะต้องตะโกนอย่างง้โ ง, ง่งไร้ความหมายใดๆโดยสิ้นเชิงเช่นนั้นมันเกิดขึ้นจากสัญชาตญาณใช่มากกว่าเจตนาเชษฐากัดริมฝีปากแต่ยังยืนสงบนิ่งยืดกายตรงอย่างบุรุษชาติชาตรีควบคุมสติ ม, มั่นคงอยู่เช่นนั้น น้ำผ่านไปหมดแล้วผมกะลุงอินจะออกตามน้อยเดี๋ยวนี้แหละครับอนุชาบอกด้วยเสียงอันยากจะอ่านความรู้สึกภายในแต่แน่วแน่มั่นคงมากพี่ชายยังคนกราดไฟฉายลงไปตามทางน้ําไหลอ ย, อยู่เช่นนั้นถามขึ้งๆม่้มวเอากันเดี๋ยวนี้เลยเหรอกลางก็ดีกว่าที่จะปล่อยเวลาผ่านไ ป, ปเปล่าๆแล้วครับ นี่มันก็ยังมืดสนิทอยู่นะกลางแล้วกระแสน้ําก็เพิ่งจะผ่านไปหยกหยกอะไม่เป็นไรครับพี่ใหญ่ผมก็ลุงอินเดินในเวลากลางคืนในความมืดได้ครับเราไม่ควรทิ้งเวลาให้ล่าเช้าออไปไม่ใช่หรอครับแล้วแล้วพวกชั้นล่ะชัยยันถามเกือบไม่มีเสียงเอางี้เราต้องแบ่งหน้าที่กันให้ถูกตามความเหมาะสมดีกว่า เอาเป็นว่าแกพี่ใหญ่แล้วก็พวกลูกหาบทุกคนรอยอยู่ที่นี่ก่อนใช้เป็นกองบัญชาการฉุกเฉินชั่วคราวจะทิ้งกระยินไว้เป็นเพื่อนอีกคนส่วนชั้นแล้วก็ลุงอินจะล่วงหน้าตรวจตามเส้นทางน้ําแทงนําลงไปก่อนเพราะคนอื่นถึงอยากจะลงไปด้วยก็คงจะเกะ ก, กะเป็นภาระเสียงเปล่าโดยใช่ที่อนุชาบอกก้นห้วนนานอินพูดมาเสียงต่ําๆอีกคนว่า ให้นานอินกับพรานชดออกตามเดี๋ยวนี้เถอะนายใหญ่เชี่ยตาตกไหลน้องชายกลางอดีตนักพจนภัยชั้นยอดหนักหน่วงพยักหน้ายัางตัดสินใจเฉียบขาดอ่ะตกลงแต่มานัดแน่กันซะ ก, ก่อนนะยังไงครับพี่ใหญ่เอาเป็นว่ารายงานให้พวกเราบนนี้รู้ข่าวทุกๆุกสิบนาทีไม่ว่าจะพบหรือไม่พบโดยทางวิทยุ ส่วนทางด้านพี่นี่อาจจะเรียกลงไปก่อนเวลาใดได้ทั้งสิ้นให้คอยรับฟังตลอดเวลาด้วยและถ้าแม้ว่าคลื่นวิทยุติดต่อทำท่าว่าจะรับส่งไม่ถึงกันและกันเมื่อไหร่กห็หยุดการเดินทางทันทีแล้วก็ให้กลับเข้ามาอยู่ในรัศมีที่วิทยุติดต่อถึงกันได้รอจนกว่าจะถึงรุ่งเช้าพวกเราทั้งหมดบนนี้จะตามลงไปสมทบเข้าใจไหมครับเข้าใจครับน้องชายตอบสั้น หันไปพยักหน้ากับพรานเท่าคู่ใจและตะวัดเป้ประจําตัวขึ้นหลังเตรียมพร้อมทันทีเท่าเท่ากับที่นานอินก็เอาย่ามขึ้นสะายไหล่อนุชาเอาวิทยุมือถือประจําตัวขึ้นมาเปิดสวิต ท, ทดลอง่านและสภาพเครื่องปรากฏว่ามันยังสามารถติดต่อรับส่งกับวิทยุในมือของเชษฐาและชัยยันได้เป็นอย่างดีแล้วอย่างง่ายๆอดีตพรานชดกับครูพรานนันอินก็คว้าไรเฟิลค่อยๆไต่ทาง ตามเส้นทางน้ําแทงนั้นลงไปอย่างระมัดระวงังในขณะที่ไฟอยู่ข้างบนช่วส่องไฟให้ในระยะแรกคนทั้งคู่ไต่ต่ำลงไปตามลําดับระหว่างที่ไฟที่รอคอยอยู่ก็ยังยืนดูตลอดเวลาเชิดายกวิทยุในมือขึ้นกดคีย์พูดก่อนที่ร่างของนักเดินโดงผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองจะลับไปจากแสงไฟที่พวกลูกหาบช่วยกันส่องทดสอบวิทยุ รับฟังชัดเจนแค่ไหนเสียงอนุชาตอบขึ้นมาเดือยวแววออกมาจากลำโพงกิวว่าชัดเจนดีมากครับพี่ไอสภาพเป็นยังไงบ้างตามเส้นทางที่น้ำพัดลงไปอะลื่นมากครับแต่ไม่ต้องห่วงครับระดับน้านที่เทลงมาสูงกว่าตำแหน่งที่ผมและลุงยินเดินอยู่ตามร่องทางนี่ครับประมาณหกเจ็ดเมตระ ต้นไม้ที่ล้มจะเป็นต้นไม้ที่มีรากติดอยู่กับก้อนหินซุยแล้วขนาดจะไม่ใหญ่เกินคนขามีรอยหินพลิกกลิ้งตามแรงน้ำไปด้วยในบางส่วนครับเสียงตอบมาอย่างชัดเจนทางวิทยุ่ะระวังตัวให้ดีทั้งสองคนนะแล้วก็อย่าลืมที่สั่งล่ะอนุชารับคำมาแล้วร่างของทั้งสองก็ลับหายตามแนวเส้นทาง อันยังเปียกชุ่มช้ำระเกะระกะไปด้วยไม้ลมนั้นลับเหลี่ยมหินบังลงไปเชษฐาหันมาสั่งหัวหน้าลูกหาบให้ต้อนพวกลูกหาบกลับเข้าไปพักผ่อนในโพรงถ้ำด้านในตามเดิมเพราะมาชุมนุมกันอยู่ปากทางตำแหน่งนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรตัวเขาเองชา ย, ยันและขยินเพียงสามคนสุดกายลงนั่งยังปากทางนั้น พร้อมที่จะคอยสดับฟังข่าวของบุคคลทั้งสองที่ผลักลงไปและจะเอาอย่างไงเนี่ยสําหรับทางด้านฝ่ายเราชัยยันข่มความรู้สึกถามขึ้นก็เหลืออีกสองชั่วโมงจะสว่างขึ้นพอสว่างเราทั้งหมดก็จะเคลื่อนตามกลางและหนานอินลงไปเรายังมีขยิงอีกคนที่จะแกะรอยทั้งสองคนได้อย่างหนึ่งก็ติดต่อกันทางวิทยุรู้ที่หมายได้อยู่แล้ว ว่าทั้งสองคนนบายหน้าไปทางไหนก็คงจะตามไม่ยากอะอดีตนายทหารปืนใหญ่เพื่อนตายยกมือทั้งสองขึ้นกุมขมับพืนพันนี่จนกระทั่งเดี๋ยวนี้นะฉันก็ยังแทบไม่เชื่อสายตาในสิ่งที่เกิดขึ้นเทถะไปคิดว่าสายน้นที่แทงแรงหนึ่งชั่วโมงควรจะพัดน้อยไปไกลสักขนาดไหน ลำคอของพี่ใหญ่ของคณ ะ, ะแห้งผักแทบไม่มีเสียงใครจะรู้ได้นอกจากเทวดาไก่มันไกลเท่านั้นเลยแล้วทั้งสองก็เงียบกันไปปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยการนั่งเผาบุรีกันตัวต่อตัวขยินเองก็เงียบกริบไม่กล้าพูดหรือแสดงความเห็นใดๆทั้งสิบสิบนาทีแรก เสียงอนุชารายงานทางวิทยุขึ้นมาว่าทางลาดลงไปเรื่อยๆครับเห็นป่าเถาวัลย์แล้วก็ไม้ใหญ่ๆขนาดนี้ห่างลงมาแล้วประมาณเกือบสองรอเมตรครับเออช้าๆไม่ต้องรีบร้อนนะขอให้ตรวจดูร่องรอยอย่างละเอียดที่สุดในละแวกใกล้เคียงก่อนมันมืดมากเหลือเกินกำลังไฟฉายนะพอไหมเชฐาถามลงไป ของนั้นอินใช้ใต้ครับพี่ใหญ่ส่วนผมจะใช้ไฟฉายบางขณะเท่านั้นไม่ต้องห่วงครับเราจะตรวจกันอย่างละเอียดที่สุดแล้วก็จะตะโกนเรียกให้เสียงไปทุกระยะครับพยายามใช้ความเป็นพรานชดประชากรของแกที่มีอยู่ทั้งหมดนะใช้ยันชะโงกหน้าเข้าไปใกล้วิทยุเชิฐาแล้วกรอกเสียงลงไปบ้างเออ ฉันและเชตฐถาเชื่อในความสามารถของแกและหนานอินเชื่อเต็มที่คงไม่ต้องเตือนซ้ำนะว่าควรระวังอะไรบ้างท้งนี้ฉันแล้วก็เชดถาแล้วก็เคยยินกำลังรอฟังข่าวอยู่ทุกขณะนะกลางอือใจเย็นๆใจเย็นๆอนุชาบอกขึ้นมาแล้วก็เงียบเสียงไปอีกท่ามกลางความเงียบของป่ายามวิการสงัดเต็มที่ ได้ยินเสียงกูวอ ก, วกของหนานอินและอนุชาแหววขึ้นมาบางครั้งบางคราวนอกนั้นก็มีแต่เสียงเคียดปากตามซอกมุมหินร้องประสานเสียงกันอยู่เท่านั้นและจากความร้อนใจตกลงกันไว้ครั้งแรกว่าจะติดต่อกันทุกๆสิบนาทีโดยให้ฝ่ายอนุชารายงานขึ้นมาเทถาคอยจับดูนาฬิกาอยู่ตลอดเวลาและเป็นฝ่ายเรียกลงไปทุกช่วง5นาที เพื่อทดสอบสภาพการติดต่อวิทยุและฟังหางเสียงของบุคคลทั้งสองซึ่งอนุชาก็จะตอบรับมาสั้นๆแต่เพียงให้รู้ว่าการสื่อสารทางวิทยุยังใช้งานได้ดีและยังไม่พบร่องรอยวิแววอะไรทั้งสิ้นช้ยันบุญยังกลัดกลุ้มกระเชฐาอยากให้เช้าเชืเ่เร็วๆจะได้ติดตามลงไปด้วยขณะนั้นเองทั้ง3มคนที่เฝ้ารอคอยอยู่ก็ไหวตัวพรึบขึ้น ไม่ได้ยินเสียงแปลกประหลาดชนิดหนึ่งดังออกมาจากป่าริมเชิงเขาน้ำตกด้านที่สายน้ำตกตามปกติไหลอยู่มันเป็นเสียงร้องรวกอกกกกอกกอกกกกอกกอยู่ในลำคอของอะไรชนิดหนึ่งแต่ดังกระหึ่มสะเทือนจนคลื่นอากาศรอบตัวสั่นไหวไปหมดเฮ้ย <Hey, S 1> อะไรนะ่ะชายันผู้ประสาทในตอนนี้ไม่ค่อยจะดีอยู่แล้วพว่อาดลุกขึ้นยืนพร้อมกับร้องออกมา ส่วนเชื่ยวเ้าขยับลูกเลื่อนไร่เฟินขนาดใหญ่ของเขาด้วยสัญชาตญาณทันทีขยินก็กระชากสไลด์ของลูกซองที่ถืออยู่ในมือพร้อมกันก็มีเสียงคลายก้อนหินขนาดใหญ่หล่นตูมลงไปในน้ำบริเวณอันเป็นแหล่งของน้ำตกซีขวามือแล้วก็อีกตูมตูมหลายครั้งหลายครั้งมีสัตว์ชนิดหนึ่งน้ำหนักตัวอย่างน้อยก็เป็นตันกระโดดลงมาจากป่าฟากน้น และกำลังไหว้ตัดทางข้ามายังฝั่งที่ทุกคนนั่งกันอยู่ชา ย, ยันเป็นคนล้าหลังสึกที่ตบลูกเลื่อนขึ้นแล้วตบลงตามเดิมขึ้นนกเตรียมพร้อมเสียงมันคล้ายๆกบหรือคางคกแต่ยังกระร้องผ่านเข้ากับเครื่องขยายเสียงสักหมื่นวัตนั่นเองชษากระซิบอย่างร้อนรนเพียงแต่ขาดเสียงเขาเท่านั้น สำเนียงต่อมาที่ได้ยินเป็นเสียงกรวดหินถล่มพรูริมฝั่งเหมือนอะไรมันไต่คลางขึ้นมามีพุงวัชพืชถูกบทเสียสีหักรากแล้วก็มีเสียงกระโดดตูมลงมาตามพื้นอันเปียกแฉะของราวป่าใกล้ๆเป็นจังหวะอำนาจของการกระโดดนั้นทำให้แง่หินที่ทั้งสามนั่งอยู่สะเทือนเสียงตบุตบตุบระคนไปกับเสียงร้องรัวในลาคอ ปะ บ, บนกันไปด้วยที่ดังอยู่ใกล้ที่สุดเป็นบริเวณทางที่น้ำไหลผ่านลงไปขยินใช้ไฟปราดกระทบเข้ากับอะไรชนิดหนึ่งซึ่งมาหมอบจังก้าอยู่ตรงเนินลาดของกรวดต่ำลงไปเพียงสิบเมตรเท่านั้นครั้งแรกถูกสายตานึกว่าก้อนหินที่ไหนโผล่มาแต่พอมองเห็นทนันัดขยินก็ทัา ง, งาแทบกไยหลังทั้งยืนนาย คางคกยัรูปร่างที่มองดูไม่ผิดอะไรกระกบหรือคางคกนั้นกําลังจ้องชเฉงะมองขึ้นมาด้วยดวงตาอันปูดปนแต่ละข้างขนาดลูกมะพร้าวของมันยังมองเห็นสันฐานไม่แจ่มชัดนะักทุกคนที่เห็นอยู่พร้อมกันในขณะ น, นี้บอกได้แต่เพียงว่ามันเหมือนสัตว์ประเภทกบหรือคางคกนั่นแหละ ผิดกันแต่ว่าข น, นาดตัวของมันเรากระรบทถนนย่อมย่อมมนุษย์สามคนยืนกันอยู่ในที่สูงพร้อมทั้งไฟฉายที่สาด จ, จ้ากดไว้ที่ดวงตาอันไม่สะท้อนแสงไฟของมันส่วนตัวมันหมอบในสภาพของสัตว์ประเภทนั้นเงยหน้าขึ้นมาเหมือนจะทักทายหรือขมินมองเยือก็ไม่มีอะไรจะบอกได้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 เหมือนแชกสายฟ้าแลบในนรกที่ลิ้นของมันแลบกระวัดขึ้นมาปลายลิ้นส่งเข้ามาจนเกือบถึงคนใดคนหนึ่งที่ยืนปักหลักประทับปืนกันอยู่ดูจะห่างเพียงแค่วาเดียวเท่านั้นอย่าอย่าเพิ่งยิงดูมันไปก่อนเชื่อถารองห้ามเร็วปรือทั้งๆังที่ตัวเขาเองก็กระทับไรเฟิลมันสูงกลางอยู่ที่บริเวณกึงกลางดวงตาใหญ่ทั้งคู่ของมัน ชา ย, ยันกับขยิงยั้งการเหนียวไกปืนไว้ได้ยังบุดบิดแล้วยืนกายสันเทอมจ้องต า, ขาเขมงอยู่เช่นนะไอตัวแรกที่โดดมาเหมาะให้เห็นอยู่ในทิศทางโล่งขยับไว้ตัวเล็กน้อยหันรีหันขวางมันแล็บลิ้นพุ่งตรงมาที่ทั้งสามเพียงครั้งเดียวแล้วก็หยุดไปมีอาการเหมือนจะดวงตาพราไปด้วยแสงไฟฉายที่ทั้งสามช่วยกันจี้สะกดไว แล้วก็หมุนหัวกลับหันมาเผชิญอีกกิริยาอาการของมันก็คือกรบหรืขอขังคอกเราดีๆนี่เองไม่ว่องไวปราดเปรียวนักเว้นแต่อาจจะกระโดดหรือไตคลานไปได้เร็วกว่าการเคลื่อนไหวของมนุษย์โดยอาศัยความใหญ่โตของมันเท่านั้นแล้วอีกตัวหนึ่งซึ่งใหญ่พอๆกันก็กระโดดตุกแผ่นดินสะเทือนเข้ามากลางเส้นทางลมนั้นอีก เพียงแต่ต่ำกว่าระดับของตัวแรกซึ่งไอ้ตัวแรกบัดนี้ไม่ใช้วิธีกระโดดเพียงแต่ก้าวขาคลานไตสูงขึ้นมาช่วงหนึ่งแล้วหยุดส่วนรอบด้านในปารกที่เต็มไปด้วยกอไม้ริมน้ำก็มีเสียงกระโดดตุ๊บตัตุ๊บตัตุ๊บ ต, บ ต, บ ต, บตบัสะเทือนไปหมดไม่ต่ำกว่าจํานวนห้าหกตัวทีเดียว ฟังจากสำเนียงและตำแหน่งการเคลื่อนไหวของมันระวังนะมันคลานขึ้นมาแล้วถ้าแลบอีกครั้งเดียวมันตวัดพวกเราคนใดคนหนึ่งเข้าปากแนะ่เสียงชัยยันคลางลอดไรเฟิลไรฟันออกมาใช้ไฟไว้ใช้ไฟไว้อย่าดับกดไปที่ดวงตาของมันเชิฐาสั่งแล้วค่อยๆลดตัวลงนั่งบังแงหินไว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 คางคกนรกอะไรวะตัวยังกระต่นสามโคฉันไม่พิษสมัยที่จะถูกลิ้นของมันตวัดเอาเราก็ไปดิ้นถูกกลักอยู่ในท้องมันเลยนะ่ะชายันพูดเกือบไม่มีเสียงส่วนขยินน่ะตัวแข็งแทบจะเป็นหินเกิดมามันก็ไม่เคยเห็นกบหรือคางคกชนิดใดใหญ่โตมโหฬารเท่านี้มา ก, ก่อนทั้งสองสุดตัวลงนั่งบางเหลี่ยมหินและช่วยกันจี้ไฟฉายไว้เช่นนั้น อีกเก้าหนึ่งที่มันค่อยๆข ย, ยับเคลื่อนตัวขึ้นมาส่วนเจ้าตัวที่สองก็คลานตามหลังอาการเหมือนจะย่างสามขุมเข้ามาด้วยไม่มีอะไรจะน่าสงสัยไปเป็นอย่างอื่นนอกจากว่ามันพยายามจะเคลื่อนเข้ามาใกล้ที่สุดในระยะที่ลิ้นแลตวัดถึงบัดนี้เฉถาคุมสติไว้ได้อีกครั้ง ก็ประหลาดใจในความใหญ่โตของมันแต่ไม่สะดุ้งสะเทือนอะไรนักเพราะเคยผ่านพิชิตสัตว์ที่มีความใหญ่เกินขนาดผิดปกติมานับไม่ถ้วนแล้วงูขนาดรถด่วนทั้งขบวนหรือตาขาบตัวขนาดท่อนสุงแม้แต่พวกสัตว์ยุคโลกล้านปีต่างๆก็เคยผ่านมาแล้วสำมหาอะไรก็ไอคางคกตัวแค่ตุ่มสามโคกซึ่งมีท่าทีประหลาดเหล่านี้มันจะโผลกมาดู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 จะคุมสถานการณ์ได้เพียงแค่ตัวละนัดเท่านั้นถ้าจำเป็นและอีกอย่างหนึง่งภูมิประเทศในที่สูงชันก็ยังเป็นอุปสรรคขวางกั้นอยู่ทำให้มันไม่อาจจะจูโจมเข้าถึงตัวได้รวดเร็วนักอึดใจต่อมานั้นเองลิ้นอันมีคุณลักษณะของการจับสัตว์ด้วยน้ำลายอันเหนียวเป็นพิเศษตามธรรมชาติของสัตว์ประเภทมันก็ตวัดปลาออกมาจากปากอีกครั้ง และคราวนี้แตกไปที่ไรเฟิลของชัยยันอันประทับจ้องอยู่บริเวณกลางลํากล้องตรงปลายกระโจมมือพอดีเฮ hey! ้ยชายันร้องมาสุดเสียงเพราะไรเฟิลของเขาถูกกระชากโดยแรงจากการตวัดลิ้นกลับของมันแรงของลิ้นและความเหนียวแน่นจากสารบางชนิดที่ประจำอยู่ในลิ้นของมันฉุดกระชากไรเฟิลที่ประทับมั่นอยู่ให้หลุดกระเด็นกติ้งออกไปตามทางลาดที่มันมอบอยู่ และตัวชัยยันเองก็พลอยถูกชุดดึงเพราะการออกแรงยืหยุดให้ถลมออกจากหลืบหินที่กำบังตีลังกาหลุดกลิ้งตามหลังไรเฟิลลุุ้ลงไปด้วยความคิดที่จะรอดูเชิงหรือพยายามแพรเมตตาของเชษฐาก็ต้องหมดสิ้นไปในบัตรเดินเมื่อเห็นอากาศจิริยาของชัยยันที่ขมามกลิ้งตามหลังปืนของเขาลงไปหาไอ้กบประหลาดที่ตัวใหญ่ผิดธรรมชาติอันมอบอยู่นั้น ก่อนที่ลิ้นของมันจะพุ่งออกมาจากปากอีกครั้งนิ้วของเขาที่แตะอยู่กับไกปืนก่อนแล้วก็กระดิกเป้าหมายคือใต้ค้างที่โป่งเข้าโปองออกเป็นจังหวัดนั้นแล้วกระสิงจุดห้าสี่ห้าแปดก็แห่ความเงียบขึ้นสถานไปทั้งคุณเขาน้ำตก อ, อากาศรอบตัวแรงกดดันอักบุ จากลำไฟฉายที่ส่องมองเห็นรอยเบิกทางเข้าของหัวกระสุนที่พุ่งเข้าออกเวอร์พร้อมกับเศษหนังบริเวณ น, นั้นบางส่วนที่ปลิวกระจายแวบออกไปในมุมทิศทางลาดแบบนีุ้นทางกระสุนที่จะคว้านออกตำแหน่งใดไม่ทราบได้แต่สภาพของมันราวกับถูกคอนมหายักษตีเสยพงะงายพลึงเหมือนถูกอะไรมาผลักห็นท้องเขาโพลและตีนทั้งสที่สั่นพลิว แล้วร่างกายส่วนอื่นก็นิ่งสงบโดยไม่ขยับขยื่นอีกเลยสภาพผิวหนังและความคงทนของมันยุ่ยเปราะเกินไปสำหรับกระสุนมันก็เป็นเวลาเดียวกับที่ชัยยันผู้อยู่ในภาวะขวัญห น, นีดีฝ่อในขณะนี้กลิ้งคลุกุกล ก, ก, กลงไปถึงตัวมันที่นอนหงายท้องตีงกลางอยู่พอดีลักษณะของอดีดนตนายทหารปืนใหญ่ตะเกียกตะกายอยู่ตรงนั้นอย่างคลุกคลักชุลมุน ตำบานาาเสียงปืนดูเหมือนจะสะกดความเคลื่อนไหวของไอตัวที่เกาะอยู่ถัดลงไปให้ชะงักนิ่งไปชั่วขณะแล้วบัตรนั้นเองเชถาผู้กระชากรอเก่าทิ้งก็ตะโกนขึ้นสุดเสียงว่ายิงขยินเจ้ากระเรียงดอยซึ่งบัตรนี้ได้กลายมาเป็นคนสนิทขนาดมือซ้ายของเขาตื่นจากตะลึงเนียวไกปืนลูกสองของมัน ดึงกระสุนลูกโดดที่บรรจุไว้ตลอดเวลานักตั้งต่ทุกคนรู้ตัวแน่ว่าจะต้องพยายานอยู่กับโคลงช้างไม่เวลาใดก็เวลาหนึง่งพุ่งเข้าหาปากในบริเวณใกล้เคียงกับรูจมูกของไอตัวที่สองแทบจะได้ยินเสียงของหัวกระสุนกระทบเนื้ออ่อนตำแหน่งนั้นระยะมันก็แค่ไม่เกินสิบห้าเมตรเท่านั้นแล้วก่อนหน้าที่มันจะกระโดดขึ้นมาอีกเพียงพริบตา ตัวที่โดนปืนของขยินกระโดดลอยขึ้นทั้งตัวแล้วล่นลงมาดิน้นปากทุรนทุรายปากบริเวณนั้นของมันกระจุยไปแล้วแต่วิถีกระสุนก็ดีหรือพลังของกระสุนก็ดียังไม่ถึงกับทาให้มันหยุดได้อย่างเฉียบพลันคงมีก็แต่ความเจ็บปวดพลีกดิน้นก้อนหินบริเวณนั้นถล่มเกลียวกราวขยินกระชากสไลด์อย่างรวดเร็ว ก่อนที่มันจะกดลำกล้องปืนลงมาซ้ำได้อีกเชษฐาก็ระเบิดไรเฟิลของเขาตามติดลงไปอีกตูมโดยแข่งกับเวลาเพราะไม่สามารถจะหาจสดตายอย่างเชียบขาดได้อย่างตัวเร่ท้องบริเวณสีข้างของมันถูกคว้านเป็นรูโ บ, โบเข้าไปเกือบเท่ากำปัน้นเพราะลักษณะอันยืดหยุ่นของเนื้อหนังซึ่งจะเป็นเหยื่อของกระสุนอย่างดีที่สุด ประกอบกับของเหลวภายในลำตัวของมันผลก็คือทางออกของกระสุนระเบิดแหกแพบเกือบเท่าลูกมะพร้าวตับไตบางส่วนกระจายว่อนพร้อมเลือดแล้วมีไส้คดหนึ่งขาดรุ่งริ่งทะลักออกมาลากอยู่กับพื้น